ชีวประวัติย่อและอาจารโรวาสของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรโวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพณานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิสิงหาคมพุทธศักราช 2,442 ตรงกับวันขึ้น13าค่ำเดือน9ปีกุลณนะบ้านม่วงไข่ตำบลพร น, นา อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครบิดาของท่านชื่อว่าเจ้าชัยกุมารเมาวสุวรรณรงค์มารดาของท่านชื่อว่านางนุ้ยสุวรรณรงค์มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด8คนคือ 1. นางกองแก้ว 2. เท้าคุณ 3. นางเฟื้อง 4. ท่านพระอาจารย์ฟัน่น 5. เท้าคำพัน 6. นางคําผันส่วนอีกสองคนถึงแก่กรรมตั้งแต่อย่างเด็กชีวิตในวัยเด็กสําหรับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเด็กท่านเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความประพฤติเรียบร้อยอุปนิสัยอ่อนโยนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอีกทั้งยังมีความขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคหนักเบาเอาสู้ ช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยไม่เห็นแก่ความลำบากยากเย็นใดๆทั้งสิน้นส่วนในการศึกษานั้นท่านพระอาจารย์ฟัน่นได้เริ่มเรียนหนังสือมาตั้งแต่ครั้งอยู่ที่บ้านม่วงไค่โดยเข้ารับการศึกษาอยู่ที่วัดโพชัยผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้แก่ท่านในครั้งนั้นได้แก่ท่านพระอาจารย์ตันกับอาจารย์หุ่นท่านพระอาจารย์ฟัน่น มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเป็นอันมากสามารถอ่านออกเขียนได้รวดเร็วกว่าเด็กอื่นๆถึงขณะได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ให้เป็นครูสอนเด็กๆแทนในขณะที่ยามอาจารย์มีกิจจำเป็นเมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นจบการศึกษาอ่านออกเขียนได้แล้วท่านมีความตั้งใจที่จะขอรับราชการเพราะเป็นงานที่มีหน้ามีตา จะรับการเคารพนับถือจากผู้คนในสมัยนั้นแต่ภายหลังท่านได้เปลี่ยนความตั้งใจเสียโดยสิ้นเชิงสาเหตุที่ท่านไม่ชอบงานราชการนั้นก็เพราะครั้งที่ไปอยู่กับที่เขยที่จังหวัดขอนแก่นที่เขยได้ใช้ให้ท่านเอากิน่นโตข้าวไปส่งให้นักโทษเป็นเสมอนักโทษคนหนึ่งคือพระญานรงค์เจ้าเมืองขอนแก่นนั่นเองท่านต้องโทษฐานฆ่าคนตาย จึงถูกคุมขังตามกระบินเมืองเมื่อเห็นราชการใหญ่โตได้รับโทษไม่เว้นแม้เต๋ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระยานาหมืน่นท่านเลยเปลี่ยนใจไม่อยากเข้ารับราชการเพราะบังเกิดความเบื่อหน่ายในความยุ่งเหยิงวุ่นวายของทางโลกและความไม่แน่นอนของชีวิต การบรรพชาเมื่ออายุได้19ปีท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านได้บรรพชาเป็นสัมมเนนที่วัดโพนทองบ้านบะทองอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อประมาณปีพุทธศกราช2461ขณะที่ยังเป็นสัมมเนนอยู่นั้นท่านได้เอาใจใส่ในการศึกษาขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินยัย รวมทั้งการอุปถากครูบาอาจารย์และการหัดท่องบนสวดมนต์การอุปสมบทในเมื่ออายุของท่านครบย0สิบปีบริบูรณ์ท่านพระอาจารย์ฟั่นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณอุโบสถวัดชิต ท, ที่บังคมบ้านให้อําเภอพณานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นพระอุปัชาพระสังเป็นพระกรรมวาจ า, จารย์พระนวลเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่ท่านอุปสมบทแล้วท่านก็ได้อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอุปชาหนาึ่งพรรษาพอออกพรรษาแล้วท่านกราบลาพระอุปชา เพื่อมาขออยู่ศึกษาธรรมกับท่านอายาครูธรรมที่วัดโพนทองบ้านบะทองท่านอายาครูธรรมท่านชอบฝึกกรรมฐานให้พระลูกวัดเสมอพอออกพรรษาอายาครูธรรมก็พาท่านพระอาจารย์ปั้นและพระลูกวัดออกเที่ยวเดินธุดงฝึกหัดภาวนาเจริญกรรมฐานไปตามป่าเขาลำเนาไพร มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งถึงเดือนสปีพุทธศกราช2463หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดินธุดงผ่านมาบ้านม่วงไข่และเข้าไปปักตรกรดอยู่ที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่ส่วนญาติโยมชาวบ้านม่วงไข่เมื่อทราบว่ามีพระธุดงมาปักตรรดอยู่ที่ป่าช้าข้างหมู่บ้านของตน ต่างก็พากันดีใจเป็นอย่างมากเพราะทุกคนก็อยากเห็นพระธุดงค์จึงได้กระจายข่าวให้ทราบโดยทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วข่าวนั้นทราบถึงท่านพระอาจารย์ฟั้นเหมือนกันเมื่อท่านได้ทราบข่าวแล้วท่านจึงได้เดินทางมาเพื่อฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมกับท่านอาญาครูดีท่านพระอาจารย์กูในวันนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโต องค์ท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาสอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีให้หันมาถือพระรัตนไตรเทนหลังจากที่หลวงปู่มั่นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอท่านอายาครูดีท่านพระอาจารย์กูธรรมมทินโนจึงได้พากันเข้าไปกราบมอบกายถวายตัวเป็นศิษ ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตยัตติเป็นพระธรรมยุทธท่านพระอาจารย์ปั้นอาจารย์ ได้ยัดติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณอุโบสถวัดโพธิสมพรอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชาพระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังจากยัดติแล้ว ท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและก็ได้อยู่จำบรรษากับหลวงปู่มั่นที่วัดอรัญวาสีด้วยบำเพ็ญสมณธรรมสําหรับการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารุนั้น หลังจากที่องค์ท่านได้รับการศึกษาข้ออัดข้อรมทางด้านการปฏิบัติกรรมฐานทราบถึงข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาจากหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ได้กราบลาหลวงปู่มั่นออกเดินธุดงไปตามสถานที่ต่างๆตามป่าเขาลำนเนาไพรป่าช้าป่ารกชัดเพื่อหาความสงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมนั้นคือสําเร็จเป็นพระอระหันต์นั่นเองท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรท่านปฏิบัติองค์ของท่านจนได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้ออกมาบำเพณประโยชน์ให้แก่โลกไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากคนจนส่งเสริมการศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นอาคารูท่านยังได้สร้างวัดเพื่อเป็นวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานดำเนินตามหลักปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาทิเช่นวัดป่าอุดมสมพรอําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครวัดป่าถ้ำขามอําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครวัดป่าภูทอนพิทัก์อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นต้น การมรณาภาพท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารุมรณาภาพเมื่อวันที่สี่มกราคมพุทธศกราช2520นห้ายสิณวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครสิริรวมอายุได้เจ็ดสิบเจ็ดปีสี่เดือนพันษาห้าสิบสองพันษาและได้รับพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม พุทธศักราช 2,521 โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบร ม, มวงศานุวงศ์อนุสรรสถานภายหลังจากท่านพระอาจารย์ฟัน่นได้มรณภาพและพระราชทานเพลิงศพแล้ว คณะศิทธิยาณสิทธิได้ปรึกษาหารือกันว่าสมควรที่จะก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติและปฏิปทาขององค์ท่านและลูกหลานรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชารำลึกถึงองค์ท่านจึงได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นที่วัดปาอุดมสมพรอำเภอพนานนิคมเป็นที่รวบรวมเครื่องใช้อัถบริขาร และอัธิธาตุขององค์ท่านเพื่อให้พุทธบริษัทได้มากราบไหว้สักระบูชาท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารเห็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรอบด้วยศีลและธรรมมีศีล า, าริยวัตรที่งดงามอีกทั้งยังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับลูกศิษย์องค์สาคัญ ของท่านพระอาจารย์ท่นอาจารโรนั้นคือท่านพระอาจารย์สุวัส์สวโจวัดถ้ำสีแก้วอำเภอปู ผ, ผานจังหวัดสกลนครเป็นต้น